ทีนี้ถามว่าเวทนาทั้งหลายเนี่ยเกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับจิตเวทนาไหนที่ไม่เกิดกับจิตมีไหมไม่มีจิตที่มีสุขเวทนาเกิดร่วมด้วยโดยมากเป็นจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะจิตที่เกิดร่วมกับเวทนาเป็นจิตที่มีทุกขเวทนาเกิดโดยมากก็เกิดร่วมกับโทสะจิตที่เกิดกับอุเบกขาเวทนาโดยมากก็เป็นจิตที่เกิดร่วมกับโมหะ ทีนี้มันก็มีจิตที่ตรงกันข้ามกับราคาเรียกว่าจิตปราศจากราคะจิตที่ตรงกันข้ามกับโทสะเรียกว่าจิตที่ปราศจากโทสะจิตที่ไม่ต่างจากโมหะก็เรียกว่าจิตปราศจากโมหะก็เป็นจิตหกประเภทแล้วใช่ไหมจิตมีราคาจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูกับฟุ้งซ่านมันง่วงซึมเรียกว่าหดหูแบบนะ เขากว่าหดหูนี่ไม่ใช่ภาษาไทยนะมันเป็นลักษณะที่หนะมิทะมันแทรกเรียกว่าหดหูนะมันว่ามันรีรีรีรีรีไปเดยมันลักษณะมันหดตัวขึ้นหดต่อแรกมันสว่างมากมันลุกไปหมดเลยใช่ไหมแล้วมันหดหดหดหดหดหลือแฟบแล้วขลับสนิทเลยนะมอดเลยนี่เรียกว่าจิตหดแต่ว่าหดนี่ก็เลยภาษาไทยซับเพิ่มมาอีกคำหนึ่งก็หูเพราะหูนี่ไม่รู้หมายถึงอะไรก็ไม่รู้แต่หดนี่มันเห็นชัดแต่หูนี่นึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไง อย่างน้นก็หดหูก็แล้วกันมันรีไปหมดเลยนะปิดตาปิดหูปิดแล้วก็หดหูะแต่ว่าแปลนั้นไอ้หดนี่มันเห็นดีเห็นง่ายดีมันหดหดหดหดจากตอนแรกมันคิดจะไกลไกลไกลไกลเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยนะตายาวมองเห็นตัวหนังสือชัดเจนเนาะมันหดหดหดหดเข้าก็เลยนะตอนแรกนี่หูยาวตามเรื่องได้ทันหมดเลยนะจิตมันกว้างมันหดหดหดหดก็เลยหลับเลยนะ คิดเรื่องอื่นนะคิดไปคิดมาแล้วมันหดหดหดห ด, หดก็เลยหลับสนิทเลยเรียกว่าหดหูนี่นะก็ถีนามิท่า น, นั่นแหละแล้วก็จิตฟุ้งซ่า น, น่ะครับนี้อันนั้นไม่หดแล้วฟุง้งอันนี้อันนี้มันก็เกินไปอีกนะไปเรื่อยเลยนะแทนที่จะได้รับประโยชน์ก็ไปเรื่อยก็จิตหดหู ก, ก็จิตฟุ้งซ่านทีนี้จิตผู้ที่ได้รับการฝึกเป็นจิตที่เป็นมหักตะถ้าไม่ฝึกก็เป็นไม่เป็นมหักตะถ้าฝึกดีก็ได้เป็นชานเป็นมหักตะ ทีนี้จิตที่เป็นมหคตะนี่เรียกว่าเป็นอนุตตระจิตที่ไม่ได้รับการฝึกนี um ่เป็นสัอ um ุตตระเนี่ยนะเพราะมีจิตที่มีคุณภาพอย่างอื่นยิ่งกว่าจิตเหล่านี้เนี่ยนะท่าจิตที่ได้รับการฝึกเป็นจิตที่มีสมาธิถ้าจิตที่ไม่รับการฝึกก็เป็นไม่มีสมาธิจิตที่เป็นไปกับสมถาวิปัสสนาเรียกว่าจิตหลุดพ้นจิตที่ไม่ได้รับการเจริญสมถาวิปัสสนาก็เป็นจิตที่ ไม่หลุดพ้นเนี่ยก็จะเป็นจิตสิบหกประเภทเนี่ยนะก็แปดคู่จริงก็อีกสำนวนหนึ่งของจิตแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดนั่นแหละเนี่ยแต่ว่าเน้นพิเศษก็คือโลกิยะจิตทั้งหลายทีนี้จิตเหล่านั้นเนี่ยนะถ้าเรามาแยกประเภทจิตที่เกิดทวานตาก็อย่างหนึ่งจิตที่เกิดทวานหูทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายและทวานใจก็เป็นจิตคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างไป จิตท um like ี MM ่ม e, ีสีเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่มีเสียงเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตที่มีสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงก็คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเป็นต้นถามว่าจิตเหล่านี้เนี่ยนะทําไมนาะสัตว์ทั้งหลายจึงคิดว่าวิญญาณนี่เที่ยงจิตกับวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันจิตมโนมณหัตยะปันดระมณมนินทร์มโนมโนวิญญาณวิญญาณขันเนี่ยอันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละก็บอกว่าตอนขามาก็ใจดวงนั้นแหละพามาใช่ไหม ตอนนั่งก็ใจดวงนั้นแหละตอนฟังก็ใจดวงนั้นแหละขากราบก็ใจดวงนั้นแหละพาไปเพราะฉะนั้นเรียกว่าสัญญากันที่ใจใช่ไหมใจมั่นใจแน่ก็เลยสัญญาไว้อะไรที่ใจใช่ไหมโอ้โหใจแน่นอนมาก อ, อะไรเป็นเครื่องรับรองก็เอาใจนี่แหละรับรองยืนยันว่าแน่นอนเสมอใช่ไหมการเล่นกับมายากลแล้ว <laughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเหมือนกับมายากลมันหลอกมันหลอ ก, ลอกว่าเหมือนกับจิตดวงนั้นแหละพามา จิตดวงนั้นแหละพาทำพาพูดพาคิดพาไปไปโน่นไปนี่แต่จริงๆก็คนละประเภทคนละประเภทเนี่ยนะเมื่อจิตคนละกลุ่มคนละประเภทอย่างนี้แล้วจะเอาความแน่นอนจากจิตมาจากไหนการเห็นเนี่ยจิตเห็นเนี่ยเป็นไปได้ตลอดไหมไม่ตลอดจิตได้ยินจะเป็นไปตลอดไหมไม่ตลอดจิตรู้กลิ่นจิตรู้รสจิตรับกระทบโพธาสจิตที่นึกคิดทั้งหลายก็แตกต่างกันไปในบราจิตเหล่านั้นจิตบางอย่างเป็นกรรมจิตบางอย่างเป็น กิเลสจิตบางอย่างก็เกิดร่วมกับวิบากจิตบางอย่างก็เป็นแค่ว่าเป็นกรรมวิบากกิเลสมันจิตเนี้ยก็เป็นกรรมมะวิญญาณบ้างเป็นวิปากวิญญาณบ้างจิตที่เป็นกรรมมะวิญญาณเพื่อเป็นวิปากวิญญาณจิตที่เป็นมีวิปากเป็นวิปากวิญญาณก็เป็นอุปนิสัยเป็นอนันตระปัจจัยแก่จิตที่เป็นกรรมมะวิญญาณก็จิตก็สืบเนื่องกระแสของความคิดก็ไหลสืบเนื่องไปจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจุติและก็ปฏิสนธิ จิตปฏิสนที่ไหลสืบเนื่องกันไปเมื่อปฏิสนที่หยั่งลงนามรูปก็หยั่งลงถ้านามรูปหยั่งลงสลายยตนะก็เจริญขึ้นเมื่อยตนะเจริญขึ้นภาษาก็มีเมื่อมีภาษาก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยก็มีปฏิปฏิสนที่จิตเพราะปฏิสนที่จิตหยั่งลงอีกอะไร นามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลงสลายยตนะก็เจริญเมื่อสลายยตนะเจริญก็มีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีปฏิสนธิจิตต่อไปอีกมันจบที่ไหนเนี่ยไม่จบเนี่ยนะจิตที่เกิดร่วมกับโศกะอจิตที่เกิดร่วมกับโทมนัสเนี่ยนะจิตที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยเป็นสาเหตุแห่ง น้ำตาใช่ไหมอ่านะจิตตัวนั้นเป็นสมุทฐานให้หลังน้ําตามากกว่าน้ําทะเลเท่านั้นอ่นะหลังน้ําตาเสียใจเนี่ยใจที่เกิดพร้อมกับโทมานัทเนี่ยนะเสียน้ําตามากกว่าน้ําทะเลเพราะฉะนั้นใครมาอย่ามายั่วเขแล้วกันอย่ามากวนกันแล้วกันพร้อมที่จะโกรธได้ทันทีเพราะสะสมความโกรธเสียน้ําตามากกว่าเท่าน้ําทะเลแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่จะเสียใจใช่ไหมชํานาญมากที่นี้ถามว่าความเสียใจนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากความเพลิเพลินนั่นแหละเกิดจากความ เลเพิ่มแสดงว่าถามมัน จ, จะต้องหวังมาขนาดไหนจึงจะเสียใจเท่าน้ำตามากกว่าน้ำทะเลวันใจที่เกิดร่วมกับตันหานี่เคยเกิดมาเท่าใดแล้วเนี่ยนะแล้วใจทุกดวงเหล่านั้นเนี่ยนะเคยเห็นอริยสัจบ้างไหมมีใจที่เป็นโสดาปฏิมักบ้างไหมมีใจที่เป็นสกะทาคามิมักอนาคามิมักบ้างไหมไม่มีนะ น, นะก็เป็นใจที่โดยมากก็เกิดพร้อมกับอวิชชาและเป็นที่ตั้งแห่ง อวิชชาเพราะอวิชชานี้ถ้าไม่มีจิตไม่เกิดรอกอวิชชามันเกิดร่วมกับจิตนะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาโมหะมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเอที่เป็นอคติศลถ้าไม่มีอคติศลก็ไม่มีโมหะเนี่ยนะเพราะโมหะเกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกดวงเมื่อโมหะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ปกปิดความเป็นจริงปกปิดวัตถุและอารมณ์ของจิตปกปิดจิตที่เป็นกรรมปกปิดจิตที่เป็นวิบาก ปกปิดจิตที่เป็นไปสืบเนื่องโดยปัจจัยเนี่ยนะปกปิดแม้กระทั่งจิตทั้งหลายเมื่อปกปิดไม่ให้เห็นวิญญาณาขันตามความเป็นจริงก็เลยเห็นว่าจิตนี่มันเที่ยงเหมือนแน่นอนใครที่พูดว่ารูปเที่ยงเนี่ยนะพอพูดถูกนะใครที่พูดว่ารูปเที่ยงนี่พอพูดถูกทําไมอ่ะอรูปหนึ่งรูปเนี่ยมีอายุตั้งเจ็ดแปดสิบปีใช่ไหมกว่าจะตายนี่อยู่ได้แปดเก้าสิบปีร้อยปีก็มีแต่จิตนะวันหนึ่งเนี่ยท่านว่าอโยมมานั่งเนี่ยโยมคิดกี่เรื่องแล้ว นะคิดโอ้ยตั้งหลายเรื่องแล้วนะพอพูดคําหนึ่งก็จิตหนึ่งประเภทนะสองคำสองประเภทแล้วเขามาพูดกี่คำแล้วโอ้ยตั้งหลายคำแล้วใช่ไหมอารมณ์มีใจดวงเดียวอยู่หรืออ่านะแล้วไม่ใช่ทวานหูอย่างเดียวแล้วทวานตายทวานจมูกเอกไหนจะขยับไหนจะปวดไหนจะเมื่อยพลิกไปพลิกมาเป็นต้นเนี่ยนั่นใช้จิตกี่ดวงแล้วเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วแลจะเอาจากความแน่ใจมาจากใจที่ไหนก็ใจที่มันไม่เที่ยงแล้วเอาความแน่มาจากไหน ใช่ถ้าเกิดร่วมกับมิจฉาทิฐินี่มันแน่เหมือนกันนะใจใดที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฏฐิใจนั้นก็แน่มิจฉัตานิยตาธรรมามันแน่ว่าฉันจะผิดอย่างนี้ร่ำไปถ้าใจที่ประกอบร่วมกับอริยมรรคก็เป็นใจที่แน่เป็นสัมมตานิยตาธรรมาจิตที่เหลือเป็นอนิยตาธรรมามันไม่แน่นอนหรอกเมื่อจิตมันไม่แน่นอนอย่างนี้เนี่ยนะจะตามเห็นจิตว่าเป็นของเที่ยงอยู่หรือ ยังยืนยันว่าใจนี่แน่อยู่เสมอหรือเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจ อ, อะไรเป็นเครื่องมั่นใจที่เมื่อใจเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะจะทําอย่างไรให้ใจเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นเอาเพราะว่าใจที่ปฏิบัติก็การปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่ใจจิตเนี่ยนะเขาแบ่งเป็นว่าเป็นธรรมจิตบางอย่างควรละ ah. จิตบางอย่างควรกําหนดรู้จิตบางอย่างควร เจริญจิตบางอย่างควรทำให้แจ้งอกุศลจิตทั้งสิบสองนี้ควรละวิบากจิตกิริยาจิตเป็นจิตที่ควรกาหนดรู้กุศลจิตเป็นจิตที่ควรเจริญสามัญผลลจิตอริยผลเช่นโสดาปิติผลจิตเป็นต้นเป็นจิตที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะก็ผู้ใดที่ละจิตที่ควรละกำหนดรู้จิตที่ควรกำหนดรู้เจริญจิตที่ควรเจริญ ทำให้แจ้งจิตที่ควรทําให้แจ้งเขาก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้ก็ต้องมาแยกจําแนกประเภทของจิตจิตแบบไหนควรละโดยส่วนเดียวควรกีดควรกันไม่ให้มันเกิดขึ้นจิตแบบไหนควรพอกพูนควรปกปักรักษาควรเจริญเพราะถ้าเจริญจิตอย่างนี้ได้ถูกต้องจะแยกแยว่าจิตเหล่านี้จิตเหล่าใดที่เกิดร่วมกับนิวรณ์จิตเหล่านั้นควรละจิตเหล่าใดที่เกิดร่วมกับโทษชงจิตเหล่านั้นควรเจริญอันนั้นก็จะมาแยก ก็จริงๆแล้วอ่ะในระดับสูงก็เอากับเล่นกับจิตอย่างเดียวนี่แหละละจิตที่ควรละเจริญจิตที่ควรเจริญเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยนะเขาบอกบางคนบอกเฮ้ยจิตนี่เจริญได้หรืออ่ะแล้วโพธิปัยธรรมมันเกิดที่ไหนลนะ่ะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ท่านกุศลธรรมก็มีใจเป็นหัวหน้าอะกุศลธรรมก็มีใจเป็นหัวหน้าท่านถ้าละใจที่ควรละได้เนี่ยนะเจริญใจที่ควรเจริญได้ ศาสนานี้ความพ้นทุกอยู่ที่ไหนหลุดพ้นเพราะจิตไม่ถือมั่นเนี่ยนะหลุดพ้นจากกา ม, มาสะวะหรือหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบความหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นที่อะไรที่ใจเนี่ยนะใจหลุดพ้นแล้วจากกา ม, มาสะวะภวาสะวะทิฐาสะวะและอวิชชาสะวะเราจะต้องฝึกใจแค่ไหนจนความโลภมันไม่เข้ามาอีกต่อไปจะต้องรู้อะไรแค่ไหนคุณภาพของใจต้องระดับไหนโลภะจะไม่เข้ามาต้องฝึกใจขนาดไหน โทสะจึงไม่เกิดร่วมกับใจต้องฝึกใจขนาดไหนโมหะจึงไม่เกิดร่วมกับใจต้องฝึกแค่ไหนทีน่ามิทาจึงไม่เกิดร่วมกับใจเพราะในในธรรมระดับสูงก็จะพิจารณาต่อไปว่าเมื่อกามมะชันทามีอยู่ณาภายในจิตก็รู้ชัดเมื่อไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดที่ยังไม่มีจะมีขึ้นอย่างไรก็รู้ชัดที่มีแล้วจะละได้อย่างไรก็รู้ชัดที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอย่างไรก็ รู้ชัดมันในแง่นี่วอนจะเป็นอย่างนั้นแล้วโพ่อชงก็เหมือนกันที่ยังไม่เกิดก็เมื่อมีโพ่อชงกับไม่มีพ่อชงต้องแยกจิตสองกลุ่มนี้ได้ ว, ว่าจิตที่มีโพ่อชงกับจิตที่ไม่มีโพ่อชงจิตที่มีโพ่อชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้อย่างไรก็รู้ชัดจิตที่มีเกิดขึ้นแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้อย่างไรก็รู้ชัด <ME> L L L K H e เมื่อละนิ่วอนที่ควรล ะ, จะเจริญโพ่อชงที่ควรจเจริญเขาก็ชื่อว่าละสิ่งที่ควรล ะ, จะเจริญสิ่งที่ควรเจริญ แสดงว่ากำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้ถ้าจิตระดับสูงพัฒนาคุณภาพถึงที่สุดเนี่ยนะจิตหลีกออกโดยส่วนเดียวเรียกว่าโคตรภูจิตนะจิตที่หลีกออกโดยส่วนเดียวเรียกว่าโคตรภูจิตจิตที่หลีกออกทั้งจากนิมิตและก็หลีกออกจากปะวะัตตะ์อันนั้นก็เป็นมัคคจิตเนี่ยนะเพราะคุณธรรมระดับสูงก็คือการทำให้แจ้งเรื่องของจิตทั้งนั้นเลย นะทําำยังไงที่จะได้ละจิตที่ควรละเจริญจิตที่ควรเจริญที่นี้ถ้าในสันเลขสูนี่บอกไว้ชัดเลยว่ า, า, า, วาจิตตุบาทที่ตั้งไว้เพื่อโพธิปัธรรมนี่มีคุณมากเพราะว่าในในอะไรนะอวิเหงสาจิตที่เว้นอ่เว้นจากปานาธิบาเว้นจากอาทินนาทานเว้นจากการเมสุมิจชาจารหรือเว้นจากการประพฤติอพรมจันเว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพู ด, พ ด, พดคำหยาด คุณธรรมเหล่านั้นก็เป็นคุณธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทีนี้ทํายังไงให้คุณธรรมเหล่านั้นมีจิตเหล่านั้นเกิดร่วมกับคุณธรรมเหล่านั้นทั้ง44หัวข้อนะ44หัวข้อให้คุณธรรมเหล่านั้นมีที่จิตก็ต้องอธิษฐานให้จิตมีคุณธรรมเหล่านั้นเมื่อมีคุณธรรมเหล่านั้นก็รักษาคุณธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปกับจิตให้คุณภาพของคุณธรรมเหล่านั้นพัฒนาเพิ่มพูนจนเต็มเปี่ยมแล้ว บริบูรณ์จนถึงว่าเมื่อคุณธรรมเหล่านั้นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็กระเทาะสนิมเมื่อเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่เหล็กถ้าจะเอาสนิมออกจากเหล็กทำยังไงก็เพิ่มความร้อนให้เหล็กจนกระเทาะสนิมออกให้หมดฉันใดจิตเนี่ยนะอาสะวะทั้งหลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดที่ไหนเกิดที่จิตถ้าเจริญสัมมาประธานจนเต็มเปี่ยมก็จนอริยมรรคเกิดขึ้นก็เสริมอุปมาเปรียบเหมือนว่ากระเทะ้ออาสะวะ กระท้อนสนิมใจเนี่ยนะสนิมก็คือความเศร้าหมองของใจที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะได้หมดนั้นคนที่เจริญตามนั้นได้ก็เรียกเป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเพราะผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนั้นเท่ากับเจริญสัมมารประธานอิธิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโทชชงและองค์มรควัฒธรรมสีที่ควรเจริญก็คือสติปัฏฐาน4อันนี้ก็เป็นการแสดงอีกปริยายหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะสำหรับเช้าวันนี้ปฏิสัมพิทาก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ข้อความในปฏิสัมพันธาต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงพาเวตประธรรมธรรมที่ควรเจริญหมดสี่ก็คือสติปัฏฐานสี่เป็นธรรมที่ควรเจริญก็คงคงไม่ลื ม, ม น, นะการกล่าวถึงการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายหรือที่เรียกเราเราเรียกว่าพาเวตประธรรมธรรมที่ควรเจริญ การที่เราจะเข้าใจทาที่ควรเจริญความเข้าใจเรียกว่าการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้การละสิ่งที่ควรละความเข้าใจอันนี้พื้นฐานสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่มีการกำหนดรู้ในสิ่งที่ควรกำหนดรู้ไม่มีการละในสิ่งที่ควรละการเจริญของเราอาจจะผิดพลาดก็ได้นนะ เพราะอาจจะเจริญทั้งกุศลและอกุศลสลับคล่าากันไปโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรควรละเราจะเข้าใจว่าอะไรควรเจรญิญเหมือนกับว่าถ้าเราไม่รู้ทางผิดเราจะรู้จักทางถูกได้อย่างไรนี้ถ้าหากว่าในทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราไม่เจริญกุศลก็เป็นการเจริญอกุศลอกุศลทั้งหลายก็เหมือนกับศัตรูกุศลธรรมทั้งหลายก็เหมือนกับมีด ถ้าหากว่าเราเลือกมิตรแยกสตรูไม่เป็นเลยเนี่ยนะเราจะคบใครเราก็จะคบคนที่ตามใจเราองนั้นเลยเอาป้าประมิตรนี่ไม่ใช่ไม่ตามใจนะโหเอาใจเก่งมากเนะท่านอากุศลก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราแยกแยะ ก, กุศลอกุศลไม่ชัดเจนยากที่จะละอกุศลยากที่จ ะ, จะเจริญกุศล นิย้อนกลับมาถึงพาเวตรประธรรมทวนอีกนิดหนึ่งว่าทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติที่สหรคต ด, ด้วยความสําราญก็คือกายานุปัสสนานั่นแหละหรืออสุภฌ า, ามทั้งหลายทำสองที่ควรเจริญคือสมถะกับวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญก็คือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฐานสี่ นมาขึ้นทำห้าที่ควรเจริญเนี่ยนะคือปัญจังกิโกสมาธิสมาธิมีองค์ห้าสมาธิมีองค์ห้าท่านบอกว่าคือสมาธิในจตุตัชฌานนี่ในบรรดาองค์ห้านี่ก็มาไล่ทีละข้อเนี่ยนะอย่างข้อแรกปีติพรรณาตาข้อสองสุขะพรรณาตาข้อสามเจโตพรรณาตาสี่อโลกะพรรณาตาห้าปัจเจเวขณะนิมิตข้อแรก ที่บอกว่าปีติพรรณาตาเนี่ยนะโดยศัพ์แปลว่าการแผ่ไปแห่งปีติสมาธิที่มีปีติแผ่ไปนั้นคือสมาธิในปฐมฌานกับในทุติยฌานเนี่ยนะสมาธิในปฐมฌานสมาธิในทุติยฌานนั้นมีปีติองค์ของปฐมฌานมีอะไรบ้างวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตา นั้นปฐมมชา น, นั้นมีปีติอยู่ด้วยทุติยชา น, น่ะ น, น ะ, ะปีติสุขเอกคตานั้นก็มีปีติอยู่ด้วยนั้นปีติพรรณตานั้นหมายถึงปฐมมชานกับทุติยชานเพราะว่าแผ่ปีตินั้นใครอยากจะมีความสุขเ อ, อิบ อ, อิ่มอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยนะจะต้องปรฐมมชานกับทุติยชานผู้ที่ได้ปฐมมชานด้ทุติยชานนั้นจะมีความสุข อ, อยู่ด้วยความอิ่มใจเนี่ยนะเพราะว่าเป็นจิตใจที่ เออบิมเป็นจิตใจที่สมบูรณ์ด้วยปีติปีตินี้ถึงพร้อมปีตินี้มีกำลังปีตินี้มีคุณภาพมากนะมันใครที่ต้องการความอิ่มเป็นอิ่มที่ไม่ไม่เป็นความอิ่มที่เรียกว่าไม่เจือด้วยอ ม, มิตรเป็นความอิ่มที่ไม่มีโทษเป็นอิ่มที่เป็นเป็นธรรมที่ควรเจริญโดยส่วนเดียวนั้นก็คือปฐมฌานกับทุติยฌาน ส่วนตัติยะชานนั้นท่านเรียกว่าสุขะพระณตาเพราะแพ่แต่ความสุขโดยส่วนเดียวอต่ที่จริงเนี่ยปฐมฌานก็มีความสุขนะทุติยะฌานก็มีความสุขตติยะฌานก็มีความสุขแต่ว่าสุขแบบไม่มีปีติเลยตัติยะฌานแต่ว่าปฐมฌานก็มีสุขสุขที่เกิดร่วมกับความอิ่มใจและวิตกและวิจารณ์ทุติยะฌานเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับปีติ แต่ถ้าตาติยาชาเนี่ยเป็นสุขล้วนๆเป็นสุขที่ไม่เจือด้วยอ ม, มิตรเป็นสุขที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นสุขที่พระริยเจ้าสรรเสริญเพราะคอยกันปีติออกได้เนี่ยนะมันสุขในตาติยาชานั้นเป็นสุขที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีปีติเมื่อไหร่นะเราจะได้สุขแบบนั้นสักทีเอ้าเมื่อไหร่จะได้ปีติได้รับความสุขแบบนี้ หรือว่ารังเกียจความสุขเสร็จแล้วไม่มั้งเนาะก็ทําทุกอย่างก็เพื่อให้ถึงความสุขนั้นถ้าสุขที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่มีปีตินั้นต้องสุขในตตยยฌานถ้าจะเอาอิ่มใจจริงก็เอาอิ่มใจในปฐมฌานทุติยฌานถ้าสุขสุขในปฐมฌานทุติยฌานและตะตยยฌานต่อไปเจโต พระนตตาเจโตพระนตาก็คือเจโตปริยญาณนั่นเองหมายถึงจตุทัศอภิญญาจตุทชานอภิญญาจตุทชานที่รอบรู้วาระจิตของผู้อ hey, ื่นรู้วาระจิตของผู้อื่นเป็นไงรู้วาระจิตว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตจิตไม่เป็นมหคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นอภิญยาจิตหรือว่าปัญญาที่เกิดร่วมกับจตุทชาญอภิญยารู้วาระจิตทั้ง16หัวข้อดังกล่าวไปเรียกว่าเจโตพระนตาเพราะว่าแผ่ไปซึ่งซึ่งใจเนี่ยนะแผ่ไปหาจิตคนอื่นรอบรู้วาระจิตของผู้อื่นว่าผู้อื่นเขาคิดอะไร นะความคิดของเขาเป็นอย่างไรนะส่วนที่พจักขุปัญญาที่เรียกว่าอะโลกะภรณตานั้นก็คือแผ่ที่พระจักขุหรือแผ่แสงสว่างนะแผ่แสงสว่างมองเห็นอะไรบ้างมองเห็นจุติมองเห็นปฏิสนธิรู้จุติรู้อุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายผู้นะย่อมรอบรู้ในหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิสมาทานกรรมอยู่ด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกอนะไนระรอบรู้ในจุติและปฏิสนธิเช่นนั้น รอบรู้แม้กระทั่งว่ามูสัตที่ประกอบด้วยกายาสุจรรตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นผู้ที่ไม่ติเตียนพระริยเจ้ามีสัมมาทิิยึดถือการกระทำกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์การที่มีทิพจักขุมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ได้ดีตกยากด้วยทิพจักสุอันบริสุทธ์อย่างนี้เขาเรียกว่าอาโลกะพระาตา เพราะแผ่แสงสว่างมองเห็นมองเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตาทิพซักแต่ว่าแบบอะไรนะถ่ายทอดสดเท่านั้นอนะ่ะไม่ใช่แค่ลักษณะนั้นนะนะลักษณะแบบภาพอะไรนะภาพถ่ายทอดสดที่เห็นไนดะ้แค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ไม่เท่านั้นเพราะว่าที่พจักขคูนั้นบวกกัมมูปะคายานด้วยยานที่รอบรู้ในกรรมเนี่ยนะกัมมูปะคายาน ส่วนอันสุดท้ายบอกว่าปัจเจเวขณะนิมิตหรือปัจเวกขณะยานชื่อว่าเปกปัจเวกขณะนิมิตปัจเ um จเวขณะยานก็คือยานท <check> ี่สามารถพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายพิจารณาองค์ของปฐมฌานพิจารณาองค์ของทุติยฌานพิจารณาองค์ของตัติยฌานพิจารณาองค์ของจตุทัชฌานเป็นต้นพันเอกปัญญาที่สามารถพิจารณากําหนดจําแนกแยกแยะองค์ฌานทั้งหลาย เพราะหากว่ากําหนดแยกแยะองค์ฌานไม่ได้จะเจริญทุติยะฌานได้ไหมบอกไม่ได้เพราะจะไม่กันวิตกวิจารณ์ออกไปถ้ากําหนดเอ่อคือว่าถ้ากําหนดองค์ฌานไม่ได้จะละปีติไม่ได้ถ้ากําหนดองค์ฌานไม่ได้จะละสุขไม่ได้เนั่นเพราะในธรรมะระดับสูงมีแต่การละมีแต่การจากก็บอกว่าถ้าหากว่าจะมีความสุขก็ต้องจากที่หนึ่งไปสู่ที่สูงกว่าจึงจะสุขกว่าจึงจะดีกว่า นั่นต้องละในระดับล่างๆเพื่อขึ้นในระดับสูงๆถ้าได้ระดับสูงเท่าไหร่ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นเท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าปัจเจกขณะยานของผู้ที่ออกจากสมาธิชื่อว่าปัจเจกขณะนิมิตปัจเจกขณะยานนั้นท่านเรียกว่าเป็นนิมิตเพราะถือเอาอาการที่เป็นไปของผู้ออกจากสมาธิแล้วคือเมื่อออกจากสมาธิก็ตรวจตา ตรวจตาองค์ประกอบของสมาธิเพราะขณะอยู่ในสมาธิจริงๆไม่สามารถตรวจสอบตัวเองได้ไเพราะว่าเพราะมีอารมณ์ของสมาธิต่างหากอยู่แล้วอย่างเช่นสมาธิพวกนี้โดยมากมีกระสินเป็นอารมณ์ขณะที่มีสมาธิมีกสินเป็นอารมณ์นั้น่ะตัวสภาพจิตตอนนั้นก็มีแต่กสินเป็นอารมณ์อย่างเดียวเมื่อออกจากกสินเป็นอารมณ์แล้วจึงมาอาวัชนะมาพิจารณาตัวสมาธิพิจารณาองค์ชาน พิจารณาวิตกวิจารณปีติสุขเอกคตาพิจารณาแล้วก็ถ้าจะเข้าฌานระดับสูงต้องละวิตกวิจารณออกไปถ้าจะเข้าสูงกว่านั้นก็ละปีติออกไปถ้าจะได้ระดับสูงก็ละสุขออกไปบอโอ้มีแต่ละมีแต่ละจะสนุกได้ยังไงวะนั้นน่ะที่จริงดีนะละอย่างเช่นน่ะต้องคิดบอกวา่าร่างกายของเราถ้ากำจัดโรคออกไปได้เท่าไหร่ดีขึ้นเท่านั้นใช่ไหมอ่านะต้องดีขึ้นเท่านั้น ท่นใดก็ดีถ้ากำจัดเจตสิกหยาบๆออกไปเช่นวิตกวิจารณ์ที่มันหยาบถ้าตัดออกไปเหลือแต่ปีติก็มีความสุขขึ้นถ้าตัดปีติเหลือแต่สุขอย่างเดียวก็สุขนี่ถ้าตัดความสุขให้เหลือแต่อุเบกขาดีกว่าสุขในตติยชานี่ตั้งไม่รู้กี่ร้อยเท่านะไคุณภาพต่างกันเยอะนั้นความสุขที่เกิดจากการละละละละออกไปละความพรุงพลังตัดความกังวลออกไปเนี่ยนะตัดออกไปเท่าไหร่ก็มีความสุขเท่านั้น ภาษาบุตรเปรียบเทียบสมาธิในห้าข้อนี้สมาธิมีองค์ห้าเนี่ยนะสมาธิมีองค์ห้าเปรียบเหมือนร่างกายว่าปีติพระนตาสุขขพระนตาเหมือนกับเท้าทั้งสองอะปฐมปฐมฌานทะุติยฌานตติยฌานเนี่ยนะฌานขออภัยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเปรียบเหมือนเท้าทั้งสองเจโตพระนาตาอโลกะพระนาตาเนี่ยนะ จตุทชานเนี่ยเป็นเหมือนกับมือทั้งสองอ น, นะจตุทชาญมีอภิญยาเป็นบาทชาญที่เป็นบาทแห่งอภิญญาเนี่ยเหมือนร่างกายในท่ามกลางปัจเจเวขณะนิมิตเป็นดุดศีรษะเป็นดุดส่วนหัวที่สามารถตรวจสอบได้นนะตรวจสอบมือตรวจสอบเท้าตรวจสอบอร่างกายตรงกลางตรวจสอบแขนขาเนี่ยนะพันเปรียบเทียบสมาธิมีองค์ห้าด้วยอวัยวะของร่างกายเท้า ตรงกลางแล้วก็ส่วนแขนแล้วก็ส่วนศรีรษะปัจเจกขณะนิมิตสําคัญที่สุดเนี่ยนะเปรียบเหมือนศรีรษะแต่ก็ว่าศรีรษะมันจะดํารงอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีแขนมีขามีร่างกายมีตัวเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ว่าถามว่าอวัยวะที่สําคัญมากก็คือศรีรษะนั่นะแต่ว่าไอ้ล่างๆก็สําคัญเพราะเป็นที่รองรับถ้าเราสังเกตดูนิดหนึ่งว่าทําไมภาเวตาประธรรมจึงเน้นสมาธิ ตั้งคำถามมาทําไมเน้นสมาธิหมวดสามให้ทำสามที่ควรเจริญบอกสมาธิมีสมาธิสามทำห้าที่ควรเจริญบอกสมาธิมีองค์ห้ายกสมาธิยกย่องมากอะไรที่จริงนะถ้าไล่ดูให้ดีนะกายคตาสติอันสรรคตด้วยความสําราญก็เป็นชื่อของสมาธิสมถโธาจาวิปัสสนาจะสมถะตัวนั้นก็คือสมาธิอยู่ด้วยสมาธิสาม สติประธานสี่โดยมากก็เป็นสมาธิสมาธิมีองค์ห้ากาสมาธิอนุสติหกก็สมาธิหมวดเจ็ดเนี่ยนะสมาธิสัมโพชฌงก็สมาธิปัสสธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงพวกนี้ก็กลุ่มสมาธิองค์มรคเนี่ยนะมรคข้อสุดท้ายก็สมาธิแล้วก็อันหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยเกษิณายตนะสิบเกสินสิบก็สมาธิอีก ทำไมพาเวตาธรรมจึงยกย่องสมาธิมากมายถ้าตั้งคำถามตั้งคาถามแบบนี้ทำไมายกย่องขนาดนั้นสมาธิเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาสมาฮิโตยะถาภูตังปชาณติเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงอันนี้พูดถึงสำหรับคนที่มีข้อมูลอย่างบริบูรณ์เพียบพร้อม อย่างบางคนบอกพระไตรปิฎกเขออาอ่านมามากเรียนมาเยอะเนี่ยนะเรียนมาเยอะแยะไปหมดเลยอริยศัสตร์ทำมาจากกัปปวัฒนะสูตรก็ท่องไม่หมดอานาติตตะปริยัสูตรก็จําได้อานาตตะลัคนาสูตรก็จําได้สูตรไหนมึงพี่จําไม่ได้เนี่ยนะว่ามาเถอะขึ้นหัวรู้หมดห้งเนยไงเก่งขนาดนั้นนอะคิดดูแต่ทําไมไม่เห็นทําอะไรได้ซากอย่างเลยนะกิเลสเต็มหัวใจตามเดิมทํำไมอย่างนั้นรู้ไปหมดอะนักรู้ตัวยาไปหมดอะมางั้นเพราะอะไรเอ่ย ก็เพราะว่าเขาฟุ้งซ่านเกินไปจริงๆแล้วความรู้พระธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์มากแต่เขาฟุ้งซ่านเกินไปที่ที่จะเอาพระธรรมเหล่านี้มาใข่ควรวนได้เขาฟุ้งซ่านมากไอ้ความฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นตัวบันทอนทำให้ไม่สามารถพิจารณาพระธรรมเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าอธิษฐปริ ย, ยสูตรเป็นสูตรที่ ผู้ฟังแล้วปฏิบัติตามบรรลุเป็นพันล้วก็เชื่อนะเออเขาบรรลุเป็นพันอานาตตะลักนาสูเราก็เชื่อเขาบรรลุทั้งห้าองค์มันอย่างน้อยเนี่ยนะแล้วก็สูตรอื่นๆที่เราก็เชื่ออว่าบรรลุมากมายแต่ทําไมเราฟังแล้วเราก็เฉ ย, ยเราก็อยู่ตามเดิมของเราได้เนี่ยอนุรักษ์นิยมได้ถึงทุกวันนี้มันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราฟุ้งซ่านเกินไปเมื่อเราฟุ้งซ่านมากเนี่ยเราก็เลยเพ่งทุกบทไม่ได้ชัดเจนความเข้าใจไม่เพียงพอ คือเข้าใจไม่เพียงพอไม่ใช่ข้อมูลเราไม่พอแต่คุณภาพจิตของเรามันรองรับความเข้าใจอ น, นันไม่ได้นะคุณภาพจิตของเราไม่ดีพอนะก็เหมือนว่าหนังสือภาษาไทยเนี่ยนะไอเราก็อ่านนังสือออกเรื่องนั้นก็พอรู้ได้แต่ทำไมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องบอกเพอฟุ้งซ่านเกินไปเพั้นการฝึกสมาธินั้นเป็นตัวที่สาคัญที่จะช่วยทาให้พิจารณาอริยสัจได้เป็นอย่างดีสมาธินี่ อ่ามันกทําให้เกิดความเอิบอิ่มในภายในคนที่มีสมาธิในภายในเนี่ยนะเป็นคนที่รู้จักพอคนเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ที่คนจะเอาจะเอาโดยมากเนี่ยเห็นเห็นตามเป็นจริงไหมสมมุติถ้าคนที่ปลาเนี่ยนะปลาที่หิวเต็มที่เลยนะมองเห็นเหยื่อเนี่ยมันจะพิจารณามันจะปัจเจก่อนไหมไม่เห็นปั๊บเรีบคุบเลยคุบเข้าไปเนี่ยนะเสร็จเลยถ้าถูกเบด็ดถ้าถูกเบด็ดก็ดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นอยู่นั่นแหละ คนที่ ม, มีไม่มีสมาธิเนี่ยจิตใจมันหิวกระหายอยู่ตลอดมันเต็มไปด้วยความหิวอ่ะนะมันเป็นเสือหิวภายในใจเนี่ยมันหิวมันมีแต่ความต้องการมีแต่ความต้องการมันยิ่งต้องการเท่าไหร่ ย, ย, รยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นยิ่งต้องการยิ่งเดือดร้อนยิ่งต้องการยิ่งเดือดร้อนคนที่ต้องการมากเดือดร้อนมากๆมันจะฉลาดไหมไม่ฉลาดรอกให้ความรู้ไปเท่าไหร่มันก็ไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเดือดร้อนเกินไปเนี่ยนะ ก็คิดดูง่ายๆว่าเวลาเราป่วยเนี่ยโอ้ยไม่รู้พุทธพจน์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้ที่เคยท่องจำได้ก็ไม่รู้หายไปไหนเคยเคยไม่สบายไหมเราไม่สบายนิดถึงพระธรรมที่เรียนมาโอ้ศาสท่องได้อย่างดีเลยนะพอไม่สบายนี่ก็งอแงแห้งแรงป่วยทางใจเหางงือนกันป่วยกายไม่พอป่วยใจก็ดอีกต่างหากที่สมมติว่าว่ายพระเจดีเนี่ยนะแล้วระลึกพุทธคุณบ่อยๆจเจริญสมาธิมากๆเวลาไหว้พระเจดีเนี่ยนะ จะรู้ว่าไม่ใช่จิตสงบทุกเจดีอะไรหรอกหลายเจดีย์เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนียก็ได้แต่กราบๆไว้ๆก้มๆเงยๆก็ดีกว่ายัางอื่นอ่ะนะก็ดีกว่าไปทําอย่างอื่นอ่ะแต่ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยนะไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นตัวบันทอนเป็นตัวสร้างอันอเป็นตัวที่ทําอันตรายมากมันเป็นอันตรายภายในจริงๆทั้นการทําสมาธิก็เหมือนกระทาให้ใจเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะมีภูมิคุ้มกันจิตใจก็สงบ คือจิตที่เป็นสมาธินั้นจะเป็นจิตที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นหิวทางความคิดเต็มที่ไม่ใช่แบบเป็นคนที่อิ่มทางความคิดเช่นมีปีติทําให้เอิบอิ่มทางความคิดแล้วก็ยังมีอันอื่นอีกก็คือเป็นจิตที่ไม่เดือดร้อนน่ะคนที่ไม่เดือดร้อนไม่ไม่มีอะไรวิตกไม่มีอะไรกังวลไม่มีเรื่องไม่สบายใจเลยทุกอย่างเนี่ยนะเพียรพร้อมสมบูรณ์หมดเอาเนี่ยนะถ้าพูดถึงธรรมดาเนี่ยนะ ตัวเราเองเนี่ยตอนที่เราป่วยกับไม่ป่วยตอนไหนเราฉลาดกันไ ม, ไม่ป่วยฉลาดกว่าสภาพจิตของเราก็เหมือนกันจิตตอนที่จิตมันป่วยป่วยด้วยอำนาจนิวรนเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นจิตที่ไม่มีคุณภาพอะไรเท่าไหร่เมื่อจิตไม่มีคุณภาพการที่จะพิจารณาอะไรนั้นถือว่ายากปัญหาท่านจึงบอกว่าถ้าจะเจริญเมื่อเข้าใจเรื่องรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งวะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร สิ่งที่ควรกําหนดรู้คืออะไรสิ่งที่ควรละคืออะไรถ้าความเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเพียงพอแล้วบอกจะทําให้ทําอะไรต่อไปก็รู้แล้วว่าอะไรมันต้องละรู้ว่าอะไรต้องกําหนดรู้แต่ทําไมมันไม่อยากกําหนดรู้เลยก็รู้นะว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นต้องละแต่ทําไมมันไม่อยากจะละเลยมันก็ง่อยๆซึมๆอยู่นี่แหละท่ออะไรท่อสมาธิเราไม่ดีเนี่ยนะ เพราะสมาธิเราไม่ดีสภาพจิตเรามันแห้งแล้งเกินไปเหมือนคนป่วยที่ที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงรู้นะว่าอะไรต้องทํางานค้างพาเต้นไปหมดเลยหน้าทําตั้งเยอะแยะไปหมดแต่ทําไมมันไม่อยากทําอ่ะนะรู้ว่าทํำแล้วมีประโยชน์แต่ว่ามันไม่อยากทําเพราะอะไรเพราะมันป่วยทางนั่นนะ่ะนี่ไม่โรคใจก็เหมือนกันเนี่ยมันป่วยทางใจมันก็เลยทําให้ไม่อยากจะละสิ่งที่ควรละไม่อยากให้ทํากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้คุณธรรมทั้งหลายที่ควรจะมีก็ ไม่ขวนขวายสแสวงหาเพราะมันป่วยทางใจพันยารักษาความป่วยไข้าทางใจก็คือตัวสมาธิเนี่ยนะสมาธิแต่คําว่าสมาธินี่ไม่ใช่สมาธิหัวตออย่างที่ว่านี่นะนิ่งเป็นหลับเลยไม่ใช่สมาธิอนันเนี่ยนะคําว่าสมาธิอะไรสมาธิที่เป็นเนคข ม, มะวิตกเนี่ยนะเป็นกุศลวิตกนะมีวิตกมีวิจารณ์เจริญแล้วปีติเจริญแล้วมีความสุขนะจิตเี่ยตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นหมายความว่าจิตไม่กำเริบอะ คนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับคนถูกวางยาสลบใช่ไหมไม่ใช่คนที่มีสมาธิเนี่ยรู้ทุกเรื่องแต่มั่นคงไม่หวั่นไหวคุณภาพของคนมีสมาธินั้นอ่ะไม่ใช่แปลว่านิ่งนิ่งแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนวางยาเลยอ่ะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นฟ้าจะผ่าแ ด, ด่จะออกอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจสักอย่างนิ่งอย่างเดียวเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ใช่สมาธิที่ประสงค์เอาณที่นี้ สมาธินะที่นี้ก็คือไม่มีอะไรทำให้ใจหวั่นไวาได้ น, นะนะเรียกว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์มีความมั่นคงอย่างเต็มที่สามารถที่จะรอบรู้เรียกว่าเหมือนกับว่าคนที่มีที่นั่งที่มันมั่นคงมากเนี่ยนะจนไม่มีอะไรทำให้หวั่นไว้ได้คนที่มีสมาธิก็คือคนที่มีฐานที่มั่นคงจนไม่หวันว่นวหวจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไม่วั่นไห เมื่อมีความมั่นคงอย่างนั้นปัญญาก็จะได้ทำกิจอย่างเต็มที่สามารถคร่ครวญทำทั้งหลายตามเป็นจริงนะไ่ค ร, รวญอริยสัจได้ตามเป็นจริงเพราะว่าสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสมาธิที่เป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะตัวที่กำหนดรู้เนี่ยนะทำที่ควรกาหนดรู้เอาอะไรไปกำหนดรู้ก็เอาปัญญาไปกาหนดรู้สิ่งที่ควรละเอาอะไรไปละ ปัญญาเนี่ยแหละไปตัวไปแล้วทาไมปัญญาไม่กําหนดรู้ทําไมปัญญาไม่ละก็เพราะว่าปัญญาขาดเหตใกล้ขาดตัใจคือสมาธินั้นพระองค์จึงเน้นสมาธิสมัยพุทธกาลเนี่ยนะในสมาธิสูตรมียี่สิบกสูตรในพระไตรปิฎกองค์บอกว่าพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วเธอจักรู้เห็นตามความเป็นจริงนะในสมาธิสูตรนะมีหลายนิกายด้วยกัน สั่งยุตินิการนี่มีหลายแห่งในขันธวรรกวัเป็นต้นก็สั่งเลยบอกเธอต้องเจริญสมาธิเถิดเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วจับรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นกลายเป็นว่าอัตถกาถาทั่วไปท่านบอกว่านี่ไงท่านจึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะปากพุทธคต์นี้ว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานาติเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง พันจึงไม่ควรดูถูกสมาธิแต่ว่าให้เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าที่เราเจริญนี่เป็นสัมมาสมาธินะก็เหตุผลหลายประการแต่ที่แน่ๆก็คือบอกว่าสมาธิใดที่ใกล้ต่อการพิจารณาอริยสัจนั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องนั่นเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าสมาธิใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยนะ เขาบอกว่าสมาธิเ <mister> น <tumors> no ี ife, no ่ยนะถ้าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยถ้าเข้าใจไม่พอเนี่ยมันตกอยู่ในฝ่ายขยดคร้านเหนตกอยู่ในฝ่ายขี้เกียจไม่อยากทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าโยมเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆมันสบายเนี่ยนะมีความสุขจริงๆเลยเขาเขาไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะเรียนธรรมะด้วยเขาไม่อยากเรียนเขาอยากจะนั่งสบายๆสบายจริงหรือเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าวันไหนสมมุตินะงานเต็มโต๊ะไปหมดเลยงานเต็มหน้าที่ไปหมดไหมอยากจะอยู่บ้านเฉยๆจะได้สบายคิดหรือว่าถ้าไม่ทํางานเนี่ยนะพักงานไปเรื่อยวันสองวันแล้วจะสบายจริงอย่างว่าสบายจริงไหมอ่านะก็อาณากราจะคำมันตานะกลายเป็นพวกทํางานข้างค้างอ่ะนะไม่เป็นมงคลแล้วอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันจะเดือดร้อนต่อไปคนที่ที่เรียกว่าอยากจะทําตัวเฉยๆแบบ สงบแบบสมาธิที่ไม่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาประกอบนั้นไม่ได้แก้ปัญหาเลยนอกจากหลีกเลี่ยงปัญหาเท่านั้นเองเนี่ยนะหลีกเลี่ยงปัญหาพอหลีกเลี่ยงปัญหาปั๊บไม่ได้แก้อะไรเลยฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยถามว่าทำยังไงเบื้องแรกคือเราต้องปรับทัศนคติที่ถูกต้องก่อนว่าเราเจริญสมาธิทำไมสมาธิคืออะไรจะเจริญทาไมจเจริญแล้วมันดีอย่างไร ไม่งั้นก็ตกหลุมพรางเลยนะไม่งั้นก็ตกหลุมพรางมันก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าสมาธิที่ถูกต้องคืออะไรแล้วพยายามฝึกเจริญสมาธิหลายๆอย่างเพื่อจะได้เป็นเครื่องเปรียบเพื่อจะได้เป็นเครื่องเปรียบต้องฝึกเจริญกรรมฐานหลายๆกรรมฐานไม่ใช่เอากรรมฐานเดียวแล้วก็กรรมฐานนั้นต้องเป็นกรรมฐานที่มีข้อมูลหลักฐานที่เราตรวจสอบได้ว่าที่เราเจริญเนี่ยเป็นไปตามคําสอนอยู่หรือไม่ เพราะว่าอย่างทำมังสารนังฆ่าฉามิปริยัติธรรมอยู่แล้วพระนั้นก็ตรวจสอบกับปริยัตเลยว่าเป็นไปตามปริยัติไหมถ้าไม่เป็นไปตามปริยัติเนี่ยนะใครที่บอกว่าปริยัตกับปฏิบัติคนละอย่างกันก็คนนั้นตาประมิตรไม่ใช่กาลยานามิตรของเราเพราะฉะนั้นก็เลือกคบเลิกคบกันได้เลยว่างั้นนะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าใครที่ชักชวนให้เราออกห่างสารณะเป็นคนดีไหมก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าทำมังสารณังฆ่าฉามิอ น, นะสารณ ะ, ะคมมีอะไรพระพุทธธรรมแล้ว ถระสงค์พระพุทธเจ้าก็รู้อภัพพุทธคุณพระสังฆคุณแต่พระธรรมคุณคืออะไรคือปริยัตอริยมรรคอริยผลใครที่ชวนให้เราออกนอกาศาสนานอกคําสอนก็คนคนั้นก็ไม่ใช่กาลยาณมิตรเป็นตาปะมิตรท่านใครที่บอกว่าเออปฏิบัติเนี่ยมันคนละเรื่องกับปริยัตินะก็ไม่มีอะไรจะคุยกันนะต่างคนต่างไปกันเถอะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญไปตามทางของท่านแต่ข้าพเจ้าจะไปตามทางของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าขอรับผิดชอบตัวเอง นะขอให้ท่านรับผิดชอบตัวท่านให้ดีกันแล้วกันแต่ข้าพเจ้าขอมีสารณะว่า ง, งั้นเะยังไงก็ไม่ขอทิ้งสารณะเพราะฉะนนั้ถามว่าถ้าเราจะเจริญสมาธิก็ขอให้เป็ญสมาธิที่มีหลักการมีหลักฐานเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเพราะเราฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทํำยังไงเราก็เชื่ออยู่แล้วเราก็สวดอยู่เชา้าค่าสวากขาตัวพร ะ, ะวัาตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราก็ยืนยันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา แต่แล้วถ้ามีใครมาบอกว่าปริยัตกับปฏิบัติคนละอย่างมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วถือว่าคนละคนละศาสนากันเนี่ยนะอั้นก็มาสอบสวนบ่อยๆว่าสิ่งที่เราเจริญเป็นไปตามคําสอนไหมเป็นไปตามคําสอนในหมวดใดสูตรใดที่ใดเมื่อไหร่และอย่างไรเนี่ยนะพันธุ์ที่พึ่งของเราที่แท้จริงอ่ะนัตถิเมสารานังอัญงพุทโธเมธโมเมสังโคเมสารนังวรังเนี่ยนะมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละคนอื่นถ้าเขาแนะนําเรา ต้องแนะนําให้เราไปรู้จักพระัตนะตรายจึงจะเป็นกาลยานามิตรถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยสมาธิแบบชั้นเนี่ยดีมีวันก่อนไปเชียงรายโยมก็ไปคุยด้วยก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งกลับมาเป็นไปหาพระรูปหนึ่งตําหนิปริยัติมากตําหนิคำพีตําหนิคําสอนบอกอะไรโยมไปเสียเวลาคุยทําไมอ่ะ น, นะเพ่ปเสียเวลาคุยทําไมนี่มาเล่าให้มาฟังมาก็เสียเวลาฟังเอกเหมือนกันแลเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไปเล่าแต่คําของเดรัจฉีไม่ใช่พุทธพจน์แม้แต่นิดเดียวว่างั้น น, น, นะคําของเดรัจฉีแต่ให้แฝงตัวอยู่ในภาษาศาสนาเท่านั้นเองเนี่ยนะเราจะไปเอาเป็นประมาณได้ยังไงเราต้องเอาคนที่เป็นสารณะของเราพระตระณะใจเราแนะนําว่าอย่างไรเพรันเราก็ต้องมีหลักการของเราเราต้องมีเป็นคนที่มีที่พึ่งไม่ใช่เป็นคนมีกําพ้าไม่ใช่เป็นคนกําพ้าแม้ไปเห็นใครก็ขอพึ่งไปหมดเลยเนี่ยนะกนะ็ะถ้าไปเจอที่พึ่งที่ดีก็ก็ดีไปเนี่ยนะถ้าไปเจอพึ่งที่ไม่ดีจะว่าไง เขาบอกว่าแต่อเขามีคำํำรอเรียนอีกคำหนึ่งโอ้ก็พึ่งพระอยู่แล้วนี่ใช่พระเพลิงพระพายพระอะไรทั้งหลายแหลเนี่นะพ้ามีตั้งหลายอย่างะมีพระเพลิงพระพายพระอะไรพระเพลิงก็ไฟใช่ไหมพระพายก็ลมเนี่ยไปพึ่งพระเหล่านั้นก็เสียหายแล้วละ่ะมันก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าเราพึ่งพระรัตนตรายเมื่อเราพึ่งพระรัตนตรายสิ่งที่เราเจอเนี่ยพระรัตนตรายของเราแนะนําว่าอย่างไรสอบสวนได้ เต้องตรวจสอบตัวเองได้หรือว่าเราอยากจะแบบเราแบบคนๆง่ายๆไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเพราะถ้าของเราถูกหมดเลยแน่ใจขนาดนั้นเลยหรือถ้าขนาดนั้นก็แปลว่าแราว่าไม่รอบคอบเลยเนี่ยนะไม่รอบคอบจะเสียใจในวันหลังเนี่ยนะท่านเราก็ทำอะไรที่เราไม่ต้องเดือดร้อนใจในวันหลังท่านการเจริญของเราให้ตรวจอยู่เสมอตรวจเรื่องสมาธิให้ดีๆว่าสมาธิที่เราเจริญนั้นเป็นสมาธิที่มีอยู่ใน คำสอนจริงไหมอยู่ในพระสูตรสูตรใดเนี่ยนะเราจะได้ปรับทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาคือคนที่ปฏิบัติธรรมในพระไตรปิฎกในศาสนาเนี่ยนะเขาถ้าพูดแบบสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาไปเจริญกรรมฐานแล้วเขากลับมาคุยกับพระพุทธเจ้าอีกนะว่าเขาเขาฟังคําสอนแล้วเขาไปเจริญไปเจริญแล้วกลับมาฟังคําสอนแล้วปรับตัวเองไปหาคําสอนไม่ใช่ให้คําสอนปรับมาหาตัวเองเขาจะทําอยู่อย่างนี้จนกว่าเขาจะตรัสรู้ จนกว่าเขาจะพ้นทุกข์มันของเราที่เราจะปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายก็เหมือนการเป็นไปตามคำสอนไหมมีผู้อ้างเขาบอกว่าอ้างเนี้ยเนี่ยเป็นไปตามคำสอนหมดเลยแล้วคำสอนอ น, นันเราเขาจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไรเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเข้าใจสอดคล้องกับคำสอนอเ้ามีอยู่สองคำที่น่าคิดเขาบอกว่าการระวังเป็นเรื่องดีการระแวงไม่ดีอะนะการระวังตัวเป็นเรื่องดีใช่ไหย ทัานการระวังตัวนี่ดีบอกระวังใจดีกว่า น, นั้นอีกเนี่ยนะถ้าระวังใจของเราถูกต้องเราจะดีกว่า น, นั้นอกีกเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจเจริญ น, นั้นจเจริญผิดหรือจเจริญถูกเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าหากว่ารู้อะไรตั้งแต่ต้นลมนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยนะมันก็ถือว่าลูกลามเสียหายน้อยมากเพะนั้นเราจะเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิให้มันสงบให้มันนิ่งยิ่งสมัยใหม่เนี่ยนะจนสมัยใหม่เนี่ยสมัยที่สารณะไม่ไม่เหมือนกันแล้ว นะทุกคนชาวพูดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นนับถือผู้อื่นเนี่ยนะนับถือผู้อื่นเรียกว่าเป็นสำนักแฝงพระพุทธศาสนามากมายขนาดนี้เพราะฉะั้นเราในฐานะว่าเราเป็นผู้อะไรนะผู้ตามพระพุทธเจ้าผบอกว่าผู้ใคร่ประโยชน์ตนเราคือผู้ใคร่ประโยชน์ตนเราต้องการได้รับประโยชน์ที่แท้จริงเราเข้ามาในศาสนาเราต้องการประโยชน์ไม่ใช่หรือ เราต้องการประโยชน์อะไรประโยชน์โลกนี้เราก็ได้จากหน้าที่การงานอยู่แล้วแต่ที่เราเข้ามาศึกษาศาสนาเราต้องการประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแล้วอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่าประโยชน์โลกหน้าเราได้แน่นอนแล้วเป็นหนทางเพื่อให้ถึงประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้เรารับผิดชอบตัวเราเองเมื่อเรารับผิดชอบอย่างไรปั๊บย้อนกลับมหาสารณะของเราเลยสารณะของเราว่ายังไงกลับมหาพุทธังสารนังคัจฉามิเถอะเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายของเราเวลามีกิจกรรมอะไรก็ เมื่อมีนะโมพุทธังธรรมังสังฆังสระนังคัจฉ า, ามิสมารทานศีลเขาบอกว่าถ้าหาอะไรลงไม่ได้นะกลับมาลงเรื่องนี้เถอะอย่าคิดนะว่าเรื่องนี้โบราณท่านทําไว้ช่วยช่วยหยับหยับไม่บอกดีที่สุดประเสริฐที่สุดไม่ผิดพลาดที่สุดแล้วคุยกันว่าถ้าเราจะปฏิบัติทำเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าสายตรงโดยที่ไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะทําไงถ้าหากว่าตั้งคําถามนะบอกไม่มีผิดเลยไม่มีพลาดเลยนั่นแหละ ไปปฏิบัติตามที่สวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือพระาศาสนาแหละนั่นคือคือท่านหยิบข้อความที่พระพุทธเจ้าประสงค์มาให้เรามาสวดมาย้ําเนี่ยทำตามความเข้าใจทุกบทเลยเ อ, อตั้งแต่โนู้นแะจนตั้งกับบทแรกจนถึงบทสุดท้ายที่สวดไปเมื่อกี้ทั้งหมดพ่านมันไม่ได้เกินจากนั้นไปหรอกเพียงแต่ที่เหลือหารายละเอียดปรับความรู้ปรับทัศนกติทําความเข้าใจว่าเป็นไปตามนั้นไหมเนี่ยนะมัน้นอยากจะ ขับเน้นแนะนําเรื่องสมาธินิดหนึ่งว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเราก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะเพราะหลายๆคนก็บอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติก็ถ้าปฏิบัติจริงก็ไม่เป็นไรก็อนุโมทนาจริงๆอนะอนุโมทนาด้วยเพราะว่าท่านใกล้เดินทางเพื่อความดับทุกข์แล้วแต่ถ้าท่านปฏิบัติแล้วท่านเดินตรงกันข้ามก็อย่างว่าเนี่ยนะเขามายัางไงก็ไม่ทิ้งอะไรนะผู้ไขรประโยชน์ตนกมามัสโกมหินั่นนะ แปลว่าอะไรผู้มีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักรู้ด้วยกรรมของข้าพเจ้าด้วยรู้ด้วยกรรมไหนเอ้าพูดนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะไม่ใช่พูดผ่านๆพูดแบบถากค้างเหน็บแนมไม่ใช่นะพูดเอาจริงนะเนี่ยนะถามว่าผู้มีกรรมเป็นของตนอะกรรมไหนกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นของตนสิ่งที่เราทําคือสมบัติของเราะขนาดสมบัติได้ทั้งชื่ออยู่แล้วใช่ไหมเอาแต่เอาทั้งสิ่งที่ทําด้วยเอสิ่งที่ทําก็เป็นของเรา สิ่งที่เราพูดก็เป็นของเราอนะเป็นของตนจริงๆความคิดทุกความคิดนี้คือสมบัติของเราเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมอันเนี้ยคือสมบัติของเราแท้ๆพันะพระพุทธเจ้าสอนว่าเลือกธทำขั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธบิดาเลยนะพระพุทธบิดาตอนที่พระองค์ไปโปรดครั้งแรกที่กบิลพัฒน์เนี่ยนะพระองค์บอกว่าพึงประพฤติให้เป็นสุจริตเนี่ยนะ องศนให้ทําให้ทําสุดจริตนะให้เจริญที่เป็นเรียกว่าสุดจริตเพราะสุจริตกรรมเนี่ยนะเป็นสมบัติของตนแท้จริงเนี่ยนะในพระศาสนาเรานั้นจึงขับเน้นเรื่องการเจริญกุศลกรรมทั้งที่เป็นกายสุดจริตและวจีสุจริตแต่ทีนี้คําว่ากายสุดจริตนี่ทํำยังไงวจีสุดจริตเป็นอย่างไรถ้ากายสุจริตวจีสุจริตไม่ใช่ปัญหาแต่มโนสุจริตล่ะมโนสุดจริตนั้นคือตัวอานาพิชชาตัวอัพยบาทและตัว สัมมาทิฏฐินะตัวสภาพที่ไม่โลภนั่นคือความสุจริตไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าปรารถนาแล้วไม่โลภนั่นคือมโนสุจริตไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าโกรธแล้วไม่โกรธนั่นคือมโนสุจริตไม่มีความหลงงมงายไม่โ ง, ไง่ไอ้ความไม่โง่นั่นคือความสุจริตนะไอ้ความซื่อซื่อเป็นเรื่องดีแต่ซื่อไม่ดีแต่ทีนี้ไอ้ซื่อเนี่ยซื่อแต่ความซื่อที่ถูกต้องต้องประกอบกับปัญญา เดี๋ยวนะ hey? คำว่ามีมโนสุดรจติคำว่าบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคำนี้สมัยใหม่เขานิยมใช้มากว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจถ้าเราจะรู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงไหมเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาอานาพิชาเป็นเครื่องวัดเอาอัปพยาบาทเป็นเครื่องวัดเอากรำเอาสัมมาทิฏฐิพื้นฐานคือกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องวัดถ้าเป็นไปตามอานาพิชาอัปพยาบาทมีกรรมสกกตาสัมมาทิฏฐิอยู่ณตรงนั้นนี้เป็น เป็นอะไรเป็นมโนสุดเจรจิตจริงไม่ใช่ที่เราเรียกว่าภาษาจริงใจเราชอบไอ้ความที่เราชอบบอกว่าเราจริงใจใช่ไหมความชอบเป็นความจริงใจไหมอาภิชานี่เป็นความจริงใจไหมโกโรธจริงใจไหมหลงเลยเนี่ยนะโงก่ก็เลยบอกว่าจริงใจเพราะโลกเพราะโกโรธเพราะโง่ อันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นความจริงใจอะไรเพราะนั้นความจริงใจที่เป็นมโนสุจริตที่พระพุทธเจ้าสอนสรนเสริญว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจคือตัวอานาพิชชาตัวอัปพยาบาทแล้วก็ตัวสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นเขาบอกว่าบริสุทธิ์ใจนั้นต้องเอาตรงนี้เป็นประมาณถ้าเป็นไปตามนี้แสดงว่าถูกต้องแสดงว่าถูกต้องถามว่าถูกผิด อ, อะไรเป็นเครื่องรับรองอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบว่าผิดถูก อ, อะไรเป็นเครื่องตรวจสอบ สิ่งใดก็ตามถ้าให้ผลเป็นสุขสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งใดถ้าให้ผลเป็นทุกข์ไม่ถูกต้องสุจริตให้ผลเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์เบียดเบียนตนไหมไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไหมไม่เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมไม่เบียดเบียนทําลายประโยชน์โลกนี้ไหมไม่ทำลายทําลายประโยชน์โลกหน้าไหมไม่ทําลายทําลายประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นไหมไม่ทําลายเนี่ยนะไม่ทําลายเพราะนั้นก็พยายาม เจริญที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธินั้นเป็นลักษณะของมโนสุจริตนั่นเองเป็นมโนสุจเรศเป็นตัวเจริญอานาพิชชาแต่อนาพิชชาเนี่ยไม่ใช่เจริญกับปฏิฆานิมิตนะต้องเข้าใจนะว่าอานาพิชชาไม่ได้เจริญกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาบอกฉันไม่โลภเอาก็ใช่สิจะโลภทำไมมันไม่ไม่ไม่น่าเอาอยู่แล้ว่นะใครก็ไม่เอาอยู่แล้วนะไม่เห็นจะต้องโลภเลยแต่ทีนี้คําว่าอนาพิชชาต้องเจริญกับสุภาณิมิตรนิมิตที่น่าปรารถนา นั่นเป็นอารมณ์ที่ควรเจริญอนาพิชาถ้าเจริญความไม่โกรธต้องเจริญในปฏิฆานิมิตเนี่ยนะปฏิฆานิมิตไม่เรียกว่าภาษาธรรมะท่านใช้สามคำนิยมอ่อยกย่องกล่าวถึงพระเถระเนี่ยนะพระเถระ ท, ที่ที่ควรครบไม่ควรครบก็มีอย่างนี้ว่าอถ้าเป็นผู้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคือ ง, งในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง ถามว่าพระเทระแบบนั้นเนี่สมควรที่จะท่านก็แนะนําพระพิสุรุ่นน้องๆรุ่นหลงัลงๆว่าเพ่งพระเทระเหล่านั้นได้ไหมบอกไม่ได้ทีนี้เขาก็มีในสูตรสูตรหนึ่งะนะมีพวกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้าไปนับถือส ม, มณะพราหมณ์ทั้งหลายถ้าอุบาสกอุบาสิกาไปนับถือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าส ม, มณะพราหมณ์เหล่านั้นน่านับถือหรือไม่น่านับถือพ่องค์ก็บอกว่า วิธีการเนี่ยนะพระองค์ก็บอ ก, บ อ, กอุบาสกอุบาสิการเรานั้นว่าถ้าสมณ ะ, ะพวกเราเองเนี่ยเป็นผู้มีปกติกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้ามันน่าชอบเราก็ชอบมันน่าชังเราก็ชังะนะน่าโง่เขาเราก็โง่เขา t ่คือปกติชีวิตของเราถามว่าเราต้องไปหานับถือคนประเภทนี้อีกไหมจำเป็นไหมหรอไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนั่นแหละท่านเราต้องอการศึกษาของเราก็เหมือนกันต้อง ปัจศึกษาและก็ปฏิบัติเพื่อไม่กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดแต่ว่าไม่ติดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความติดไม่โกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่หลงงมงายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงงมงายก็คือแต่ทีนี้ไอ้ตัวอนัพิชามีรายละเอียดเยอะนะอภยบาทก็มีรายละเอียดอีกเยอะสัมมาทิฏฐิวุรายละเอียดมากปฏิสัมพิทานะยานกฐานนั่นคือไอ้ไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่ง ความหลงมันเรื่องของปัญญานี่ใหญ่โตไอ้คาว่าไม่หลงเนี่ยเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากเปรียบเหมือนคําว่าสว่างคําว่าสว่างนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณภาพของต้นแสงเนี่ยนะว่าต้นแสงเนี่ยแค่ไหนถ้าต้นแสงคือสมมติว่าสูงสุดเลยในโลกนี้ก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมว่าสว่างที่สุดในโลกอถ้าลักเล่ะน้อยลงมาก็ขนาดนั้นถ้าสว่างน้อยๆเช่นพวกไฟเทียนไฟทั่วๆไปเนี่ยนะก็ถือว่าสว่างน้อยๆไป นั้นปัญญาก็เหมือนกันคุณภาพของปัญญาเนี่ยนะที่เราเรียกว่าไม่หลงก็คือมีความสว่างทางสติปัญญานั้นเราควรจะรอบรู้แค่ไหนอะไรคือสิ่งที่เขาคว ร, รเราควรจะรู้เพราะนัเราปรารถนาว่าเราเป็นผู้มีปัญญาเรามีปัญญาจริ ง, รงๆเราต้องการรู้อะไรกันแนะ่ปรารถนาจะมีปัญญาเหลือเกินปรารถนาจะมีปัญญาอยากฉลาดมากอยากรู้อยากเก่งอยาก น, นะใส่ฝันมีกุศ ล, ลฉันทะมีฉันทะอยากมีปัญญา ขอให้มีปัญญารู้อะไรอ่ะโออยากมีปัญญาจริงๆเลยนะให้มีปัญญารู้อะไรเนาะรู้อะไรดีขอมาเอางี้นะขอให้รู้คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อะงี้ยขอให้รู้จักคุณพระรัตตรัยตามเป็นจริงเถอะอะไรไงี้นะโอยอันนี้มาถือว่ามันลึกซึ้งที่สุดปัญหาว่าเราถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนะถ้าบุคคลไม่รู้จกักพระพุทธจะรู้จักพระธรรมได้ไหม ไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักพระธรรมจะรู้จักพระสงค์ได้ไหมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานอริยศาสตร์นั้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธคุณธรรมคุณและสังกัปคุณมันถา้าเราบอกว่าปรารถนาบรรมมลุมรรคผลอย่าง น, นนี้ก็คือขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์มันคลุมจักรวาลที่สุดก็เลยบอกว่าถ้าจะรู้จักถ้าจะมีความรู้ขอให้มีความรู้รู้คุณของพระรตนะตรายเธอเนี่ยนะถ้าจะเลื่อมใสก็ขอให้เลื่อมใสในพระรตนะตรายเธอเนี่ยนะถ้าจะรู้ ถ้าจะรอบรู้ประวัติใครสักคนหนึ่งยังลึกซึ้งก็ขอรู้จักประวัติพระัตนตรัยเธออะไรเงี้ยนะถ้าก็ขอให้ให้เป็นอย่างนี้ถ้าถือว่าจะมีที่มั่นที่มั่นคงใจของเราปกติเป็นใจที่มั่นคงไหมปกติเป็นใจที่ไม่มั่นคงใจที่ไม่มั่นคงนี่ควรจะเลือกพึ่งสิ่งที่มั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้าปกติถ้าเลือกสิ่งที่ไม่มั่นคงมันก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วใช่ไหมพระรัตนตรัยคือสิ่งที่มั่นคงที่สุด พูดมาซะ ย, ยาวนี่ทําไมรู้ป่ะจะพูดว่าทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกชาอนุสติฐานานิอนุสติคือสติที่เกิดบ่อยๆเลยเรียกว่าอนุสติอนุแปลว่าบ่อยสติที่เกิดบ่อยๆอนุเนี่ยเป็นๆเขาเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นนิบาตเป็นอุปสรรคเนี่ยนะแปลว่าอนุแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าภายหลังก็ได้แปลว่าตามก็ได้ตอนนี้แปลว่าบ่อยๆ อนุแปลว่าบ่อยๆ อ, ยอนุสติก็คือสติที่เกิดบ่อยมากบ่อยแค่ไหนดีก็บอกว่าสมควรแก่กุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธานะบวชแบบคนมีศรัทธาหรือสมควรแก่ผู้ที่มีศรัทธาเอางี้ดีกว่าคนที่มีความโลภเนี่ยนะตัวเองชอบอะไรนี่คิดถึงสิ่งนั้นบ่อยไหมบ่อยมากเลยนะสมมติว่าคนหิวหเนี่ยแบบอยากทานอันนั้นเดี๋ยวคิดถึงเง น, น, นี่ยก็คิดถึงเดี่ยก็คิดถึงคนรักหลานมากเดี๋ยก็คิดถึงหลานเนี่ยก็คิดถึงหลานเนต้นนั่นเอง ก็คนชอบอะไรมันจะคิดถึงสิ่งนั้นได้บ่อยมากถ้าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเราจะเอาบ่อยเท่านั้นไหมต้องบ่อยกว่านั้นหน่องนั้นต้องบ่อยกว่านั้นเนี่ยนะต้องบ่อยกว่านั้นจนกว่าจะบอกอะไรนะลมหายใจเข้าก็พระพุทธเจ้าลมหายใจออกก็พระพุทธเจ้าฟ้าผ่าก็าพระพุทธเจ้าเคยมีพระโสดาบันอยู่ท่านหนึ่งโสดาบันอยู่ท่านเนี่ยท่านเวลาจะมีแบบอะไรสักนิดหนึ่งมีอะไรกระเทือนใจนิดหนึ่งก็นะโมตาาัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มีรายนิดหน่อยก็พ อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหารันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นคําที่นางพูดเป็นชีวิตจิตใจเป็นปกติสามีนี่คนศาสนารําคาญมากเมื่อไหร่เธอจะพูดเลิกพูดถึงสมณะโลนนั้นสัทีเธ อ, อเขรามาเขาลำคาญนะเพราะว่าศาสนาพราหมณ์นี่เขาถือว่าคนที่โกนผมนี่เป็นคนที่น่ารังเกียจมากในวันณะของเขาอะนะพวกศพเขาเร็วเมื่อไหร่เธอจะเลิกพูดถึงสมณะโลนนั้นสัทีหนึ่ง ว่ายังไงฉันก็ไม่เลิกกว่ากเพราะนางเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วศรัทธาไม่เปลี่ยนแปลงเสักวันหนึ่งบอกเอางี้นะเขาเนี่ยสามีก็ยังนับถือศาสนาของตัวเองอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งก็บอกว่านี่เธอฉันจะเลี้ยงพรามแล้วนะฉันจะเลี้ยงพรามเธออย่าพูดถึงสมณะโล้นวันหนึ่งได้ไหมในวันเนี้ยขอวันอื่นไม่ว่ากันแต่วันเนี้ยขอสักวันหนึ่งเธอไม่ได้ถ้ามีเหตุอะไรฉันก็ต้องพูดพูดฉันจะฆ่าซะฆ่าก็ฆ่าสิ เล่พูดไม่ได้นะชักดาบมาแล้วนะแกล้งขู่เมียเผื่อเมียจะเลิกเมียก็ไม่ยอมเลิกก็เลยได้เวลาเลี้ยงพราหมณ์เชิญพราหมณ์มาเลยห้าร้อยคนมาเลี้ยงตักอาหารเลี้ยงพระยาก็แบบช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรเนี่ยนะเดินไปเดินมาไปสะดุดทับพีนตกนโมตสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอ้พราหมณ์ที่มานั่งฉันบอกโอ้ยนี่มันมายาหลอกลวงนี่มันนับถือสมณะโคดมอยู่แล้วมานัดเชิญพวกเรามานี่มันแกล้งพวกเราชัดๆเลย พวกที่นักบวชเหล่านั้นก็เลยลุกหนีไปหมดเลยไม่ทานไม่ชันไม่เชิญแล้วเหมงอนกันก็เลยลุกหนีออกไปหมดเลยแหมโกรธภริยามากนี่ภริยาจะฆ่าก็ตายไม่รู้จะทํำยังไงนะด่าก็ด่ามาไม่รู้ด่าเท่าไหร่แล้วชักด่าก็แล้วถ้าฆ่าก็ตายเออ ไ, ไปด่าพระพุทธเจ้าดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็เลยจะไปด่าพระพุทธเจ้าบอกเออไปเลยพรามไปเล ย, ไ ป, เลยไปก็บอกพระสัมมณัโพธมฆ่าอะไรแล้วเป็นสุขบอกฆ่าความโกรธนั่นแหะเป็นสุขเหมือนกัน ฆ่าแล้วไม่เศร้าโศกตอนหลังก็ก็บวชก็เลยบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์นะนะกลุ่มเรียกว่าตระกูลนี้ขี้โกรธมากแต่ก็ในที่สุดก็บรรลุฮันทโสดาบันเนี่ยนะจนกว่าจะเรียกว่าแทบจะคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกเลยซัําไปคือจริงๆเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนถึงระดับสูงสุดเห็นอะไรต้องเห็นพระพรตนาตรทุกเรื่องเลยนะเห็นดอกไม้เห็นพรตนาตรัยได้ไหม เห็นได้เห็นอะไรทั้งหมดในโลกนี้อเห็นแล้วลองหาดูซิว่าดูสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วไม่มีคุณพระรัตนไตรณนะัฐที่ตรงนั้นเลยอะนะถ้าถ้าอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามีความมั่นคงสูงมากแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยที่นั่นก็นไ ป, น, ปนึกถึงพระพุทธะเอ่อนึกถึงพระรัตนไตรัยก็ไม่ออกอยู่นึกยังไงก็นึกไม่ออกว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับพระรัตนตรยถ้าอย่างนี้ก็หห่างมากห่างจริงๆห่างสองพันกว่าปีเลยแหละ ทั้งร่างกายและจิตใจ น, นจริงนั้นจนกว่าจะเรียกว่าทุกเรื่องมีคุณพระรัตนาตรายอยู่กับกับนั้นทั้งหมดได้ถ้าทำได้ตามนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอนุสติเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีอนุสติซึ่งข้อความในอังคุตรนิกายมหานามสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโครทารามใกล้กรุงกบิลพัทแควนสักกะ ครั้งนั้นแหลเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับถวายบังคมและประทับนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้น แ, แล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกผู้ได้บรรลุแล้วบรรลุอะไรพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันแล้วทราบชัดศาสนาคือสิก ข, ขาสามในในคําสอนพระพุทธเจ้าแล้ว ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากเขาอยู่ใจของเขาเนี่ยหมายว่าที่อยู่ทางร่างกายเนี่เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไมันต้องอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่ตามที่ร่มอยู่อะไรกันเนี่ยถ้่เราอยู่ทางร่างกายอยู่ด้วยอิริยาบทสี่แล้วใจนี่อยู่ด้วยอะไรอ่นะร่างกายเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมถ้าเดินทางอยู่บนรถอ่นะถึงที่ทํางานอยู่ที่ทํางานถ้าอยู่อยู่ที่บ้านก็อยู่ที่บ้านอมีที่อยู่แล้วอยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยอิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแต่ใจนี่มันจะอยู่ด้วยอะไรดี ขอพักใจไว้กับที่ไหนดีให้ใจมีที่พักให้ใจมีที่อยู่ในอิริยาบถทั้งสีในที่ทุกคนทุกแห่งมันนะเขาก็เลยใช้คําว่าย่อมย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนเป็นส่วนมากก็แปลงง่ายๆว่าใจเขามีอะไรเป็นเครื่องอยู่เขากแบาเราเคยได้ยินนะครับว่าวิหารมีกี่อย่างวิหารวิหารไปว่าที่อยู่ที่อยู่เนี่ยนะมีกี่อย่างหนึ่งอิริยาบถวิหารอิริยาบถวิหารนะอย่างที่เราอยู่ๆเนี่ยอยู่ด้วยยืนเดินนั่งนอนนะอยู่บ้านไหมอยู่ อยู่ด้วยยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนก็ได้นะ้วเขก็อยู่ก็คือยืนเดินนั่งนอนเรีก่อิริยาบถวิหารสองพรหมวิมมหารเนี่ยนะอยู่ด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาและด้วยอุเบกขาสภาพจิตที่อยู่ด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกข า, า, ก า, า, า, กขานั้นเรียกว่ า, าอยู่ด้วยพรห ม, มวิหารสามอยู่ด้วยฌานสี่อยู่ด้วยปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานเป็นต้นนี้เรียกว่าทิพพวิหารอนนมีทิพภวิหาร สุดท้ายถ้าอยู่ด้วยพระสมาบัติใดพระสมาบัติหนึ่งเช่นโสดาปฏิผลสมาบัติเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าอริยะวิหารทีนี้นี้คําถามว่าตรงเนี้ยขออยู่ด้วยวิหารธรรมเนี่ยอยู่ด้วยวิหารธรรมพระอริยสาวกที่เห็นอริยสัจแล้วเนี่ยเข้าอยู่ด้วยวิหารธรรมชนิดไหนมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะอริยะสาวกผู้ได้บรรลุผล คือโสดาปฏิผลดเนี่ยนะโสดาปฏิผลเป็นต้นทราบชัดพระศาสนาคือรู้จักพระพุทธศาสนาอยริลืมว่าศาสนาเป็นชื่อของสิกขาสามเป็นคนรู้ชัดอธิศีลสิกขาอธิ จ, จิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออริยส า, าวกในพระศาสนานี้ย่อมตามระลึกถึงท่าตถาคตเนืองๆว่า แม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นทราอรหันตรัสรู้เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจาเริญจาแนกทำสั่งสอนสัตถามว่า อยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยว่าอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นภาษาเขาเลยนะเป็นคําที่เขาเข้าใจอย่างถือว่าเข้าใจอย่างดีเป็นคําที่เขามีไม่มีคําไหนที่จะเขาจะปีติกว่าคําเหล่านี้อีกแล้วในบรรดาพูดถึงบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะพระตถาคตเป็นบุคคลที่เขาภูมิใจที่สุดปลื้มใจที่สุดมีความสุขที่สุดเอยชื่อเมื่อไหร่ก็มีความสุขแล้วนะว่าพระพุทธเจ้านี่มีมนขลังแค่เออชื่อนี่ราคาโทรศัท์โมหะหายหมดเล ย, เยนะ เสียใจีลองคิดถึงพระพุทธเจ้าสักพักจะเลิกเสียใจนะสมมติทันโลภอะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้มากคิดถึงพระพุทธเจ้าอีกพักหนึ่งแล้วมันจะลดได้นั้นสรุปว่าพระอริยส า, าวกเนี่ยนะท่านอยู่ใจของท่านมีที่อยู่คือพุทธคุณ น, นะอารมณปัจจัยของพระอริยส า, าวกโคจรไปในพระพุทธคุณอรหังไกลาจากกิเลสกําจัดข่าสึกคือกิเลสหักเสกกำแห่งสังสารจากักไม่มีความลับในการ ทำบาปผู้ควรแก่ปัจจัยสี่ใกลคนชั่วอยู่ใกล้คนดีอันคนดีทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเป็นผู้ไม่มีบาปประทำอันนะเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญอันนะั้นเรียกว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุโทโธตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังโดยพระองค์เองซึ่งอริยสัจธรรมทั้งหลายโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์อันนะพระองค์ตรัสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรเจริญควรทำให้แจ้ง โรงเป็นผู้มีวิชาสามีวิชา8สมบูรณ์ด้วยจารณะ15สุขโตไปสู่อมตะนิพพานไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดไม่ไปด้วยสัสถาทิฏฐิอุเฉตทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะโลกวิทูรู้สังขารโลกโอกาสโลกและสัตวโลกเนี่ยนะอนุตตรโรม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในการบำเพ็ญบารมีไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่ า, ใ น, า, น า, นวาในการตรัสรู้ในการแสดงธรรมเป็นต้นปุริสธรรมสารถิก็คือเป็นผู้ฝึกบุรุษเนี่ยนะ เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษนะฝึกให้มีฝึกให้เขารู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญสมถาวรวิปัสนาบรรลุฌานอภิญยาโสดาปฏิพลสกาธาคามีผลเป็นต้นพระองค์นี้ฝึกให้เขาเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดฝึกจนถึงได้ระดับอรหัตผลศาสถาเทวมนุษยสานังเป็นาศาสดาพาสภษาสทั้งหลายข้ามจากวัตตะข้ามจากกันดานคือชาติชารามรณะ เป็นผู้สอนให้สัตว์ทั้งหลายรับรู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น, น้าประโยชน์อย่างยิ่งไม่มีประโยชน์ใดๆจะยิ่งกว่าคือประโยชน์คือพระนิพพานพุทโธก็คือผู้ที่รู้เองแล้วก็ยังให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจเองแล้วช่วยให้ผู้อื่นตรัสรู้อริยสัจด้วยแล้วตื่นหมายเขาว่ากําจัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิบาปอากุศลธรรมทูตจิร ก, กรรมโดยส่วนเดียวเนี่ยนะผู้ที่เรียกว่าพุทโธพระขวารก็คือผู้จําแนกแกะแง ธรรมรัตนะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งหลายผู้มีส่วนแหง่งโพธิปักขิยธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพุทธภควาภิริยาสาวกเนี่ยปกติเนี่ยใจของท่านอยู่ในพุทธคุณเหล่านี้นี่คือเครื่องอยู่ของท่านเมื่อไร่นะใจของเราจะยินดีในเครื่องอยู่เหล่านี้ใช่ไหมของเราแบบทั่วไปนะเขา อ, อยู่แบบตามภาษาเราเรามีปัญหาหน่อยค่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าบางคนนะบอกว่าคิดไปคิดมาไปทําอะไรซะวุน่นวายอ๊ย้ยทําฉันไม่สบายใจเลยสวดมนต์ดีกว่า แปลว่าอะไรแปลว่าแบบเดือดร้อนเมื่อไหร่แล้วค่อยหาท่านแปลว่าไม่ไม่ใช่มีปกติอยู่กับท่านแต่มีปกติไหมว่าไปสร้างปัญหาเสร็จแล้วก็มาพึ่งท่านนะเอาแบบนั้นขอพึ่งท่านเป็นปกติกับยใช้ชีวิตตามธรรมดาของเรามีปัญหาแล้วค่อยพึ่งท่านทีหนึ่งไม่สบายใจทีหนึ่งค่อยหันหน้าไปหาพระรัตนตรัยทีหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจเป็น ปกติเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยแต่พระอริยะสาวกเนี่ยใจของท่านโคจรไปในพุทธคุณธรรมคุณสังกัคุณเป็นต้นเนี่ยนะสรุปว่าถ้าเรามาตั้งคาถามว่าที่ไหนบ้างพระอริยาสาวกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ได้โดยที่สุดแม้กระทั่งทัพพีตกยังนึกถึงพระรัตนตรยนัยมาเงั้ยออย่างนอบน้อมพระรัตนตรยัยและลึกถึงพระรัตนตรยัยสมัยก่อนนี่เคยได้ยินไหมข้อมานี่สมัยเด็ ก, เดกๆเขาแนะนําว่าถ้าฟ้าผา่าเปรี้ยงบอกให้พุโทโธพุโทโธเอาไว้เคำว่างั้น ของโยมเขาแนะนํามาอย่างนั้นไหมนีม่นะฝนตกก็อะไรนะฝนตกแดดออกกลัวอะไรก็พุโทโธไว้นะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแสดงว่าคนที่เขาต้นคิดเนี่ยเขามีความเข้าใจดีแต่ต้นหลังก็ได้แต่อะไรนะได้แต่คําไปไม่ได้พยถาถะไปนะฝนะันท่าเรารอบรู้เข้าใจในพระพุทธคุณเหล่านั้นจริงๆแล้วเจริญบ่อยๆนะจนใจมีเครื่องอยู่ที่อยู่ของใจของเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ มีพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้น อ, อย่างคนที่มีใจอยู่กับพระรัตนตรัยอันหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปที่ไหนก็ไปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยไปเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเขบอกจะไปไหนไปณที่ใดจากบ้านไปบ้านไปเมืองไปชนบทไปณนะแห่งหนตําตำบลใดก็ตามบอกไปทําไมไประลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยไปสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยไปบูชาคุณพระรัตนตรัยไประลึกถึงคุณของ ภรัตนะตรายนะที่ทุกขนทุกแห่งที่ไหนบอกว่าคิดง่ายๆที่ไหนที่ใจของเราไม่อยู่กับภรัตนาตรายนะให้รู้ตรงนั้นอัปตัวบายสําหรับเราที่ตรงนั้นถือว่าไม่ปลอดภัยสําหรับเราแปลว่าไม่มีเครื่องคุ้มกันเลยไม่มีที่อยู่สมมุติถ้าเราทางโลกเนี่ยนะถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่มีที่มุงที่บังเรียกว่าไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนไม่มีที่มุงที่บังที่ตรงนั้นเรียกว่าอันตรายไห อันตรายฉันใดก็ดีที่ใดของที่ใดที่ใจเรานึกถึงแล้วไม่มีคุณพระรันาตนใดอยู่ด้วยที่นั้นปลอดไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยตรงนั้นเนี่ยสู่เราลงสู่อบายได้สะดวกมากเลยนะเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเคยรู้จักแรงดึงดูดของโลกไหมเป็นยังไงอ น, นะดูดทางตาเนี่ยดูดให้ไปดูใช่ไหมทางหูนี่มันดูดให้ไปฟังทางจมูกนี่มันดูดให้ไปรู้กลิ่นทางลิ้นนี่มันดูดให้ไปอะไร ให้ไปลิ้มรถเนี่ยไปอยู่ไกลขนาดไหนมันก็ต้องริ้มรถอีกจนได้นะมันดูดไปแรงดึงดูดของเนี่ยมันดูดไปหาโาพธาะเสร็จแล้วก็ดูดไปจุติแล ะ, และปฏิสนธิท่านถ้าเกาะเกี่ยวตรงไหนตรงนั้นนหะคือที่ไปของเราพระรยาสาวกยังไงท่านก็ขอเลือกมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะท่านท่านท่านจึงกําหนดคติได้ไงข้อความที่ท่านมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ท่านก็เลยเลือกที่เกิดได้เนี่ยนะเพราะมีที่อยู่อย่างดีเนี่ยนะเพราะฉถ้าเราฝึกจนชำนาญ เมื่ออันอย่างบางคนเนี่ยมีความสุขกับการตามระลึกนึกถึงคนของพระรัตนตรัยระลึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จักเบื่อถ้าเรารู้สึกเบื่อพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็เกิดอะไรขึ้นนะดีไหมบอกว่าอุ้ยสวดมนต์มากเบื่อที่จริงอันนั้เขาบอกเขาไม่เบื่อพระรัตนตรัยแต่บอกนะสวดมนต์ได้แล้วบอกูเบื่อเหลือเกินในสวดอย่างนั้นซ้ำๆๆเขาบอกงั้นน่ารําคาญนั่นแหละแปลว่าเขาเบื่อการตามระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บางทีเขาไม่พูดพยัญชนะตรงๆหรอกเขาเรียกว่าคําพูดในในโลกนี้มีสองอย่างอมุขยะกับมุขยะแล้วก็พูดตรงๆกับอุปจาระพูดแบบ อ, อ้อมๆเขาเรียกว่าเป็นที่รู้กันเนี่ยนะบางทีเขาเรียกว่าพลูปจาระพูดผลแต่หมายถึงเหตุบางทีการณูปจาระพูดเหตุแต่ว่าจริงๆอที่หมายถึงผลอุยบ้านนี้เสียงดงังลั่นเลยบ้านมีเสียงได้ไหม บ้านนี้เสียงดังแล้วคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะเตียงนั้นโห o ว่า ง, งั้นโต๊ะนั้นเนี่ยหูบ่นจังเลยก็คนที่อยู่ในโต๊ะฉันใดคําพูดในโลกเนี่ยมันจะมีคําพูดแบบตรงคําพูดแบบอ้อมอย่างมันกนบอกอู้เช่าเนี่ยขาดพระพุทธคุณไม่ได้หรอกเขาขาดศาสนาไม่ได้หรอกมาสุดอสันเสริมพระรัตนใจดีกว่าไหมพูดแนละ้วมันขัดกันเองได้บางทีเนี่ยนะ สรุว่าพระอริยสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เนืองๆนะถ้าใจเขาไม่อยู่กับอรหันตคุณก็อยู่กับสัมมาสัมพุทโธไม่อยู่กับสัมมาสัมพุทโธก็อยู่กับวิชาจารณะสัมปันโนไม่อยู่กับวิชาจารณะสัมปันโนก็อยู่กับสุขโตไม่อยู่กับสุขโตก็อยู่กับโลกวิถูไม่อยู่กับโลกวิถูก็อยู่กับอนุตตรโหมไม่อยู่กับอนุตตรโหก็ปริสธรรมสารถิถ้าไม่อยู่กับบุริสธรรมสารติก็สาสถาเทวมนุสสานัง นนะหรือไม่ก็บทว่าพุโทโธหรือไม่ก็คำว่าพะควา